ตอนที่189่อยแปดสเก้ายนเย็ยนมีคนที่ชอบแล้วอื่นถ้าพวกเขาดีต่อลูกพ่อก็เบาใจตอนนี้ลูกมีอนาคตที่รุ่งโรดบางครั้งพ่อก็แอบคิดว่าถ้าตอนนั้นพ่อไม่อยากกับแม่ของลูกตอนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไหมโจเจี้นเย่รู้สึกเสียใจภายหลังเขาไม่ควรหลงเชื่อคำพูดเป่าหูของแม่ตนเองเพียงด้านเดียวในตอนนั้นเขาควรจะใช้ชีวิตกับหลีชิงถิงอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้จะพูดอะไรก็สายไปเสียแล้วสายเกินไปจริงๆต่อให้จะเสียใจจนลำไส้กลายเป็นสีเขียวแต่ในโลกนี้สิ่งเดีีีียยยยวท่่ไมมขาากก็คือแ้เสใจ ถ้าพวกคุณสองคนไม่หยาด ก, กันชีวิตของฉันกับแม่คงจะรันทดกว่านี้แน่ไม่มีทางเป็นเหมือนตอนนี้เด็ดขาดหลีหวานกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ว่าใครแต่งงานกับคุณก็ไม่มีวันได้ดิบดีดรอครอบครัวของคุณมันมีปัญหากันทั้งบ้านฉันรู้สึกโชคดีมากที่แม่ใหญ่กับคุณได้เราทําให้เราสองคนแม่ลูกไม่ต้องถูกพวกคุณทรมานจนตายเสี่ยวหวานเรียกพ่อว่าพ่อสัตว์คำได้ไหมโจวเจี้ยนเย่ไม่ได้ยินลูกสาวเรียกเขาแบบนั้นมานานแสนนาแล้ว ไม่สิหากพูดที่ถูกต่อให้ตอนที่ยังไม่อยากเขาก็ไม่เคยได้ยินเธอเรียกเลยสักครั้งคุณไม่คู่ควรแววตาของหลีหวันยิงคงหยินเยียบโจวเจีจ้ยนเย็กยิ้มขื่นขมที่มุมปากอื่นพ่อไม่คู่ควรแต่ไม่ว่าจะยังไงลูกก็คือลูกสาวของพ่อเราสองคนมีสายเลือดเดียวกันใช่แต่หน้าเสียดายที่มันถ่ายเลือดทิ้งไม่ได้ไม่อย่างนั้นฉันคงถ่ายเลือดทั้งตัวทิ้งไปนานแล้วหลีหวันกรอกตาคุณไปได้แล้ว ไม่ว่ายังไงเรื่องของเสี่ยวไปก็ต้องขอบคุณลูกมากนะเธอจะยึดลูกที่เป็นพี่สาวคนนี้เป็นแบบอย่างโจวเจียนเย่พูจบก็ลุกขึ้นจากไปหลิหวันฟังเขาพูดแล้วในใจก็รู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกเธอรังเกียจโจวเจียนเย่จากก้นบึ้งของหัวใจและเกลียดคนตระกูลโจพวกนั้นด้วยเสี่ยววานขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นศาสตราจารย์เซี่ยก็เดินกับพเพลเคโดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเข้ามาในห้องตรวจพร้อมกับถามถึงอาการป่วยของคุณปู่ของเสี่ยวเหมียวอวิน ตอนนี้อาการของเขาฟื้นตัวช้าลงเรื่อยๆไม่ใช่ปัญหาที่เธอหลอกแต่มันเป็นปัญหาที่ตัวเขาเองเรื่องนี้ฉันได้คุยกับลูกชายเขาแล้วพวกเขาบอกว่ายังอยากให้เธอรักษาคนที่ต่อไปนั่นแสดงว่าพวกเขาค่อนข้างยอมรับในฝีมือการแพทย์ของเธอนะคะหลิววัรณโนพยักหน้าเบาๆหนูทราบแล้วขยิบศักพักหนูต้องเข้าสอบอาจารย์พอจะมีข่าววงในบ้างไหมคะการสอบครั้งนี้ยากมากไหมเรื่องแบบนี้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงเขาไม่ใช่คนออกข้อสอบเสียหน่อย อีกอย่างเรื่องแบบนี้โกงกันไม่ได้เธอต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอย่าคิดฟุ้งซ่านก็พอทําใจให้สบายจะบอกว่าหลีหวานไม่ประมาท ก, ก็คงโกหกครั้งนี้มันยากกว่าการสอบจงข่าวหรือก็ข่าวตั้งเยอะจริงได้มีเรื่องหนึ่งฉันอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงศา ส, สตราจารย์เซี่ยชะงักไปครู่หนึ่งเธอวางแผนจะแต่งงานเมื่อไหร่หลีหวานยังอายุน้อยและยังเรียนไม่จบแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดูเหมือนจะมั่นคงดีศาสตราจารย์เซี่ยจึงค่อนข้างสงสยัย ก่อนหน้านี้เธอไม่ได้บอกว่าวางแผนจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่แดนใต้เหรอฉันคิดว่าตอนที่เธอยังอายุน้อยเรียนรู้ให้มากๆไว้ก็ไม่เสียหายนะไม่ไปเรียนต่อที่แดนใต้แล้วค่ะหลิหววันยกเลิกความคิดนี้ไปนานแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะโยนเศร้าเหิงและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะตอนนี้เธอติดตามศาสตราจารย์เซียอยู่จึงไม่จําเป็นต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้านอีกส่วนเรื่องแต่งงานหนูยังไม่ได้คิดเลยค่ะ ลิวันรู้สึกว่าในช่วงที่กำลังคบหากันอยู่นี้ควรจะหาความสุขจากการมีความรักให้เต็มที่ยังไม่ควรพิจารณาเรื่องการแต่งงานเธอไม่คิดแต่เจ้าหนุ่มตระกูลหยวนน่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันก็ได้นะศา ส, สตราจารย์เซี่ยกล่าวต่อพอแต่งงานแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือการถูกเร่งให้มีลูกมีคนเดียวไม่พอต้องมีคนที่สองอีกถ้าสองคนแรกเป็นลูกสาวก็คงต้องมีคนที่3ตามมาบรรท์ว่าไว้ท้องหนึ่งครั้งโม่ไป3ปีรวมๆกันแล้วก็เกือบสิบปีนั่นหมายความว่าเธอต้องเสียเวลาไปถึง10ปีถึงงงงงเววลลลลานนนัันงงั้้้ฉคไปแม เขาพูดถึงตรงนี้ก็ลังเลเล็กน้อยก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ที่เขารับส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชายสาเหตุหลักก็เพราะนักศึกษาญิงพอถึงไวที่เหมาะสมก็ต้องเผชิญกับความลำบากเรื่องการแต่งงานและมีลูกส่วนใหญ่จะเลือกเลี้ยงลูกเองทำให้วิชาความรู้หยุดอยู่กับที่หรือบางคนถึงขั้นผันตัวไปเป็นแม่บ้านดูแลสามีและลูกจนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนอีกเลยตลอดชีวิตศา ส, สตราจารย์เซียเพียงแต่รู้สึกเสียดายพรสวรรค์อย่างหลีหวานเสียหวานคําพูดพวกนี้ของฉันให้เธอฟังไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงก็พอไม่ต้องรู้สึกดันอะไร ฉันหวังว่าเธอจะสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้อาจารย์ขหนูเข้าใจความหมายที่อาจารย์พูดข้ตอนนี้หนูยังไม่ได้พิจารณาเรื่องแต่งงานต่อให้เรา2คนเดินไปถึงขั้นนั้นเรื่องการมีลูกก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาแยกต่างหากหนูจะไม่ยอมให้การมีลูกมาขัดขวางการเรียนเด็ดขาดในมุมมองของหนูหน้าที่การงานของผู้หญิงค่อนข้างสําคัญกว่าถึงตอนนั้นอาจจะจ้างคนมาช่วยดูแลลูกแทนคะ่ะพ่อหลีวันบอกความคิดของตนเองออกม า, าศาสตราจารย์เซียก็เบาใจลงมากอึมดีแล้วขอให้เป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆเถอะ อาจารย์คะทำไมจู่ๆอาจารย์ถึงถามเรื่องนี้ล่ะคะอาจารย์ไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าก็ศาสตราจารย์เจียงของพวกเธอสิเมื่อไม่นานมานี้เขาไม่ได้จัดตารางตรวจร่างกายให้ผู้เท่าทั้งสองของตระกูลหยวนหลอกเหรอเห็นว่าพวกเขาอยากให้พวกเธอรีบแต่งงานกันไวๆจะได้อุ้มเหลนเสียทีที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองหลิวันนพยักหน้าอย่างครุ่นคิดความคิดแบบนี้ของคนแก่นับว่าเป็นเรื่องปกติแต่หยวนเศร้าเหิงไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอเลย พวกเขาสองคนเพิ่งคบกันได้ไม่นานยังไม่ถึงเวลาพิจารณาเรื่องแต่งงานในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่มันคือการรวมกันของสองครอบครัวต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงจะคิดเรื่องแต่งงานได้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ไหวช่วงนี้ยวนเศร้าเหิงเองก็ยุ่งกับการเรียนมากเช่นกันกว่าจะได้พบเขาก็เป็นช่วงสิ้นปีหลิวหวานได้ยินว่าเขาเริ่มเข้าไปช่วยดูแลธุรกิจของบริษัทแล้วและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะเดินทางไปเจรจาสัญญาฉบับหนึ่ง อีกฝ่ายเห็นว่าเขาอายุยังน้อยจึงคิดว่าคงจะรับมือได้ง่ายเลยพยายามกดราคายอย่างหนักทำให้การเจรจาธุรกิจครั้งนี้ไม่รับรึนักแต่สุดท้ายโชคดีที่เจรจาจนสำเร็จก่อนปีใหม่นี้ที่สุดเขาก็มีเวลาว่างมาอยู่เป็นเพื่อนหลิวหวานเพื่อเป็นการชดเชยหลังจากดูภาพยนตร์จบจู่จูหยวนเศร้าเหิรนก็บอกข่าวใหญ่ที่น่าตกใจกับเธอเธอรู้ไหมว่าเจ้ารองกำลังตามจีบเยียนเยียนอยู่เอะเจ้งเศร้าอย่างน่นเหรอเขาชอบหยวนเหยียนงั้นเหรอ คุณไปรู้มาจากไหนคะเขาบอกฉันด้วยตัวเองเลยล่ะตอนนี้เจิงเศร้าอย่างค่อนข้างขยันขันแข็งอยู่ในเขตทหารแม้ผลการเรียนจะไม่ค่อยดีนักแต่คนแซ่เจิงดูเหมือนจะเกิดมาเพื่ออยู่ในเขตทหารจริงๆยิ่งมีเจิงอวินฉงอยู่ด้วยเขาก็ยิ่งไปได้สวยตอนนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้พันแล้วแน่นอนว่าไม่ได้ใช้เส้นสายแต่นี่คือเกียรติยศที่เขาได้รับจากความสามารถของตัวเองแล้วยังไงต่อคะหลหวานถามต่อด้วยความตกตะลึงแล้วยังไงต่อละ่ะดูเหมือนเย็นเยียนจะไม่ชอบเขานะสิ หยวนเศร้าเฮิงผู้เสียงเบาเย่เด็กนั่นไม่มีใจให้เขาเลยดูเหมือนว่าเธอจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วจบกันนี่มันคือการแอบรักที่จบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนี่นาน้องสาวของคุณชอบใครเหรอคะลหวานถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรื่องแบบนี้นั่นจะยอมบอกฉันได้ยังไงคุณเป็นพี่ชายคนโตนะถ้าคุณอยากรู้ก็แค่ลองถามดูหน่อยไม่ได้เหรอฉันว่าคุณต้องถามออกมาได้แน่ๆ่ไม่จำเป็นต้องถามหรอก ตอนนี้เป็นยุคเสรีภาพในการรักใครเธอจะชอบใครก็ได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องให้คนในครอบครัวช่วยสแกนให้อยู่ดี